มีเราก็เลยได้เป็นโสดาบันตรงนั้นอย่าไปดูถูกท่านนะท <c oughs> ่านเป็นพระ อ, อริยะที่น่าเคารพท่านหนึ่งเลยละที่น่าเคารพที่พออ่านไปแล้วนะโอ้โหถ้าเรานั่งอยู่นั้นเราคงจะเพลินกับการระลึกชาติได้ว่าเราเป็นกษัตริย์อยู่ตรงนี้รู้สึกงั้นไหมเราจะภูมิใจในอดีตของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นกษัตริย์ว่ะถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์แนละ้วบอกว่า เธอเนี่ยเคยเป็นกษัตริย์อยู่กรุงศรีอยุธยานะเป็นกษัตริย์ตอนนั้นนี่เราจะรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคนนี้นะเคยเป็น เ, เจ้าหญิงเคยเป็นมเหสีท่านนั้นท่านนี้เคยเป็นคนสําคัญในอดีตเราจะรู้สึกภูมิใจแต่ท่านเห็นกิเลสตัวเองในขณะที่กําลังนึกถึงภาพในอดีตถูกภาพในอดีตมาเสนอแล้วเนี่ยเกิดกิเลสแล้วท่านรู้ทัน มันหลงไปเหมือนกันนะหลงไปเหมือนกันถูกครอบงำเหมือนกันแต่ท่านรู้ทันหลงไปนานเหมือนกันนั่นแหละแล้วท่านก็รู้ทันและข้อดีมากๆเลยคือไม่ทิ้งอาจารย์ไม่ทิ้งอาจารย์แม้แต่จะพลาดพลาดไปนั่นคืออาจารย์เตือนสองครั้งแล้วไม่ยอมฟังอาจารย์ในที่นี้คือพระพุทธเจ้านะอาจารย์เตือนสองครั้งว่าอย่าไปอย่าไปแล้วก็ไปพอไปแล้วก็เจ็บเจ็บกลับมาสมสารกลับมาแล้วก็เลย แต่ข้อดีคือสมสารกลับมาได้แหละไม่ทิงอาจารย์พอไม่ทิ้งอาจารย์ก็เลยได้ของดีได้ของดีในที่นี้คือได้าาดค า, า, นะาถาพาใจเปิดชอบคํานี้มากเลยตมานะคาถาพาใจเปิดอ่านที่แรกแล้วยังง ง, ง, งว่าอะไรคาถาพาใจเปิดใจตอนนี้เปิดหรือยังเปิดหรือยังถ้าเปิดแล้วคือเห็นความสําคัญแล้วว่า ฉันจะมักน้อยฉันจะทําความเพียนไปใครจะดูก็ดูไปไม่อวดไม่โอ้อวดนะไม่โอ้วดคุณความดีที่แม้มีจริงแม้จะมีจริงแล้วก็ไม่โอ้วดด้วยคิดดูสิดังนั้นไอ้ที่หลอกลวงมันไม่เอาเลยแน่นอนมักน้อยมักน้อยในลาบส ก, การะมักน้อยในของใช้มักน้อยในคําเยินยอมักน้อยในคําที่เขาจะสรรเสริญแม้แต่เบื้องเบื้องหลังเราไม่รู้อะไรไม่ได้ ไม่ต้องการแต่เขาจะสันเสริญก <laughs> <femme> ็เ <Tuesday> ร <afternoon> ื่องของเขาหรือแม้แต me ่นินทาก็ไม่ว่าอะไรพอจะได้ประโยชน์อะไรไหมใครเคยถูกครูบาอาจารย์ตักเตือนแล้วไม่ฟังมีไหมดูเหมือนว่าอะไรสิ่งที่เราจะทำไปนมันเป็นเรื่องดีนะแต่ท่านบอกว่าอย่าตะเลตัดเตะนะอย่าทะเละลายไปไหนนะอย่าไปคลุกคลีนะ แม้แต่คลุกคลีในเรื่องที่เป็นเหมือนเป็นบุญนะแต่ในขณะที่เรื่องเราเรื่องราวที่จะไปทำบุญเช่นไปทอดผ้าป่าเหมือนเป็นเรื่องเป็นบุญไหมไปทอดผ้าป่าเป็นบุญแต่ตอนตอนไปเป็นกลุ่มเนียนะบางทีก็ไปฟุง้งซ่านไปฟุง้งซ่านไปคลุกคลีไปพูดคุยตอนนั้นถ้ามีสติก็ดีไปถ้าไม่มีสติก็คลุกคลีฟุง้งซ่าน มากๆช้อปปิง้งมีไหมไปไปทำบุญแล้วท่านก็แจกที่ระลึกของที่ระลึกอาจจะเป็นวัตถุมงคลแย่งกันตอนนั้นมากมไหมมากๆเนาะไม่ยอมเข้าคิวด้วยใช่ไหมคนไทยเนี่ยเข้าคิวกันยากนะรู้สึกเป็นของที่ไม่ไม่เคยเพราะไม่เคยเห็นในชาตินี้เลยประมาณเนี้ย ฝึกนะฝึกการเข้าคิวเนี่ยทำให้ทาให้ใจมันไม่มากๆยอมเข้าตามลาดับของจะหมดก่อนหน้าเราก็ยอมอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ฉันจะเอาให้ได้เลยไงนะมากๆเจริญเจริญกิเลสใจปิดขนาดนั้นใจปิดปิดไม่รับธรรมะ เตือนตัวเองด้วยนะว่าถ้าเราจะต้องไปแซงคิวไปรุมกันเพื่อจะได้ของฟรีหรือแม้ของไม่ฟรีที่เราต้องการบางทีของไม่ฟรีนะไปเข้าคิวซื้อของแล้วอยากได้เร็วๆไปแซงคิวเสียตังค์แต่ว่ามากๆคืออยากได้ก่อนดังนั้นการมีวินัยทาให้ใจเปิดการมีวินัยทำให้ใจเปิดนะ ยอมรับได้ของจะหมดก่อนก็ได้ไม่ว่ากันของได้ฟรีเมื่อมันไม่ถึงมือเราแสดงว่าไม่ใช่ของเราก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีอยู่แล้วอยู่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเรามาเพื่อทำบุญสมมติว่าเราจะไปถวายพระป่าแล้วท่านเจ้าอาวาจะแจกของจะได้ทีหลังก็ไม่เห็นเป็นไรหรือจะจะหมดก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเราตั้งใจจะมาถวายของท่านไม่ได้ตั้งใจมามาเพื่อจะเอากอะไรจากท่าน แม้แต่รวมกลุ่มกันเพื่อจะไปทำบุญเนียนะมุ่งหมายจะไปทำบุญในระหว่างกระบวนการนั้นเราจะมีกิเลสแทรกเยอะแยะเลยถ้าเราไม่ระวังให้ดีนะกลายเป็นคลุกคลีกันกลายเป็นไม่มักน้อยบางทีกลายเป็นไม่สันโดษขึ้นมาไม่วิเวก